พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศกราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชาพิธีสำคัญยิ่งของคนไทยศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิด่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลตี้คลับคลับของคนรักสุขภาพนะคะรายการสุขภาพที่อยู่กับคุณผู้ฟังในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะวันครอบครัวแบบนี้นะคะเราสองคนค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาดีสุขดีค่ะค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนตุลาคมพี่แมวเดือนสุดท้ายแล้วสําหรับไม่เดือนสุดท้ายสิสเกือบเกือบจะถึงเดือนสุดท้ายกำลังจะบอกว่า<ม>เป็นวันที่ ใครที่เกษณีณอายุราชการไปเนาะตืนขึ้นมาเคว้งคว้างเลยอาจจะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแต่งตัวออกจากบ้านเหมือนเดินั่นน่สิคะกำลังจะนึกอยู่ว่าที่บอกเป็นเป็นเดือนสุดท้ายคือเดือนกันยาเป็นเดือนสุดท้าย <c oughs> แล้วเดือนตุลาคมนี้ล่ะค่ะใครที่เกษณีณอายุราชการก็เงาเงาหน่อยเนาะ <c oughs> ส่วนใครที่ทํางานราชการก็กําลังขึ้นงบประมาณปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะอย่างนร้ก็ต้องทํางานให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็ให้มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะค่ะ ในช่วงแรกของรายการของเรานะคะก็เหมือนเช่นเคยเลยเรามีในเรื่องของกิจกรรมและข่าวสารของสุขภาพนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนี่แหละค่ะเขาร่วมกับศูนย์บริจาคโรหิตนะคะสภากาชาติไทยจัดรับบริการบริจาคโรหิตจากนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจค่ะที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนะคะ S <S ก็อยู่ที่คลอง6นะคะปทุมธานีนะคะซึ่งถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเขารับบริจาคโลหิตในวันอังคารที่15ตุลาคมนะคะระหว่างเวลา9นาฬกาถึง15นาฬิกาค่ะที่ห้องสงทนาพิทักษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ48พรรษานะคะซึ่งถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเขาบริจาคบ่อยนะคะมหาวิทยาลัยเขาเปิดรับบริจาคบ่อย ก็เหมือนก็จะเป็นเดือนเว้นเดือนหรือมีประจํา<ม>ทุกเดือนนะคะซึ่งก็ถึงการบริจาคโลหิตของรัชชางคลธัญบุรีนี้ได้รับความนิยมนะคะเพราะบางทีเนี่ยก็มีน้องๆนักศึกษานะคะก็เคยถามเหมือนกันว่ามาทําอะไรการเข า, าบอกบว่ามาบริจาคเลือดก็น้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําบุญแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาได้เป็นผู้ให้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่มาบริจาคเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้ตัวเขานี่บางคนบอกว่าก็ไม่ไม่มีเวลาไปทําบุญด้วยแล้วก็ ถือว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยได้ช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ด้วยล่ะนาะเนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าว่างไม่ติดเรียนก็จะมาบริจาคโลหิตที่นี่แหละค่ะห้องสงทนาพิทักซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดีดีไทยที่ทางกองพัฒนานักศึกษาก็จัดเป็นประจำค่ะก็ได้รับ เป็นอีกหกิจกรรมของรชัชุมชนธัญบุรีที่ถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่สนใจของน้องๆที่มาร่วมบริจาครอหิตรวมถึงบุคลากรแล้วก็บุคคลภายนอกก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะคือไม่ต้องเดินทางไปกไกลนะค ะ, คะไปเดินทางไปใ ก, กล้ๆก็สามารถบริจาครอหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าที่บุคลากรที่มารับบริจาครอหิตก็มาจากสภาการชาตไทยนี่แหละค่ะมาจากที่เดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ได้มาอำนวยความสะดวกบางคนอาจจะเดินทางไปไม่ได้นะคะอยู่ถึงถนนอังรีดูนางก็อาจจะไกลไปการเดินทางอาจจะไม่สะดวก มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่จะรับบริจาคโลหิตก็มารับที่ราชมงคลนทยนบุรีของเรานี่แหละค่ะ เอาละค่ะมาถึงดิฉันบ้างนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆที่จะนาํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็เป็นที่โรงพยาบาลวิภาวดีค่ะก็จัดการอบรมการเป็นพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วไปนะคะประจําปี2562ซึ่งทางโรงพยาบาลวิภาวดีเนี่ยก็ได้จัดมาเป็นปีที่23แล้วนะคะก็สมัครหลายต่อหลายรุ่นทีเดียวค่ะสําหรับรุ่นต่อไปนะคะก็จะจัดให้มีในวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ละค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่โรงพยา บานวิภาวดีนะคะซึ่งการทำ CPR นี่ถือว่าเป็นอะไรที่คล้ายๆกับการบริจาคโลหิตนี่แหละ ค, ะค่ะแต่ว่าเป็นเป็น การกระทําที่เร่งด่วนสามารถที่จะช่วยชีวิตคนที่กําลังประสบภัยนนหรือว่าฉุกเฉินหายใจไม่ออกได้นะคะซึ่งการอบรมนะคะก็เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะวันที่8ตุลาคมใครที่สนใจหรือว่าอลองดูซิว่าเราเนี่ยจะสามารถทําได้หรือเปล่าหรือเขามีขั้นตอนมีเทคนิคมีกรรมวิธีในการที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการใช้ CPR จะต้องทําอย่างไรบ้างก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา16 เดกาวันอัคารที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะค่ะอีกหนึ่งในเรื่องของข่าวสารสุขภาพนะคะวันนี้เราก็มีมาฝากกันทิ้งท้ายแล้วกันนะคะในเรื่องของการรับยาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาให้สามารถรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านโดยที่ไม่ต้องมารับยาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเริ่มเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็นําร่องก่อน500ร้ร้านขายยานะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้มอบนโยบายในการลดความแออัดของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เพิ่มความสะดวกบ ร, บริการให้กับประชาชนนะคะอย่างเช่นการพัฒนาการบริการปฐมภูมิคลินิกหมอครอบครัวเปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความแออัดนะคะก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถนาใบสั่งยามารับยา แผนปัจจุบันที่ร้านขายยาได้นะคะซึ่งต้องเป็นร้านขายยาที่ได้มาตรฐาน GPP ของสํานัก ง, งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะในระยะแรกเนี่ยอาจจะดําเนินการการพัฒนาระบบภายใต้การระบบประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนให้ร้านขายยาเนี่ยร่วมเป็นเครือข่ายบริการจํานวน500แห่งทั่วประเทศนะคะจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดยที่ไม่ต้องไปรอรับยาที่โรงพยาบาลนะคะก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลงลดภาระร ก, การเดินทางและความแออัดของโรงพยาบาลค่ะ รวมถึงได้รับคำแนะนำการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์โดยเภสัชกรนะคะโดยเริ่มที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพร้อมเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะช่วงแรกเนี่ยเขาจะเน้นแค่4ี่โรคก่อนก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคจิตเวทโรคคอผือดนะคะ4โรคพวกนี้พี่แมวไปรับ<ฆ>ไปรับยาที่ร้านขายยาได้นะคะ สำหรับเงื่อนไขาการรับยานเนี่ยต้องเป็นไปตามสมัครความสมัครใจของผู้ป่วยนะคะว่าจะรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านไหมหรือว่าใกล้ที่ทำงานจึงต้องเป็นร้านยาที่มีคุณภาพร้านยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP และมีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงค่ะ โดยจะได้รับยาชนิดเดียวกับที่โรงพยาบาลเดิมที่รับอยู่และผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเพิ่มขึ้นนะคะโรงพยาบาลและร้านขายยาที่เป็นเครือข่ายสามารถดําเนินการได้3รูปแบบคือโรงพยาบาลจัดยารายบุคคลส่งให้ที่ร้านขายยาโรงพยาบาลจัดสํารองยาไว้ที่ร้านยาและร้านยาดําเนินการจัดยาเองค่ะซึ่งเขาก็ต้องศึกษาร่วมกันนะคะการพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิ มีหมอครอบครัวประจําบ้านสร้างความครอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเรื่องสถานบริการที่เหมาะสมในลักษณะเจ็บป่วยนะคะรวมถึงเชื่อมโยงร้านขายยาใกล้บ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกนะคะก็เป็นทั้งเลือกให้กับประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะพี่แมวพูดถึงก็สะดวกเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจใด้วยใช่ใช่ไหมคะและที่สําคัญค่ะคือก็จะต้อง ตรวจดูด้วยนะคะว่ามีร้านไหนที่จะรับสามารถที่จะไปรับยาแทนที่จะไปรับที่โรงพยาบาลได้อันนี้ก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลดูรายละเอียดอย่างครบถ้วนให้ดีให้ดีเสียก่อนนะคะค่ะก็เอามาฝากคุณผู้ฟังค่ะทั้งในเรื่องของกิจกรรมสุขภาพแรกข่าวสารสุขภาพในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะ He ที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ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 549-3653 ห้าสี่เก้าสามหกห้าสาก เป็นคนกำหนดมาให้เราพบและพลาดกันทดสอบอะไรกับฉันเล่นเกมอะไรกับเธอใครเป็นคนกำหนดไว้หรือเป็นเพราะใจคุณเธอไม่อยากให้เราได้เจอเธอจึงจากไปแสนไกลแต่ฉันรู้ฉันรู้ ฉันเชื่อว่าเราต่างคนโดยยังรักกันและฉันรู้ฉันรู้ฉันเชื่อเธอมีเหตุผลที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ว่าเพราะอะไรเธอจะอยู่ที่ไหนฉันจะตามเธอไปตามหัวใจกลับมาจะคือความ เธอคือความหมายจะคือวิญญาณเธอคือชีวิตเธอคือทุกอย่างไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไรจะออกตามหาจะไปพบเธอจะออกไปค้นให้เจอหัวใจสุดทันฟ้าหรือแห่งคนใดจะตามหัวใจของฉัน ใจยังมีสรทธาว่าเรานั้นเป็นคู่กันไม่อยากให้เป็นแค่ฟันดังควันที่ลอยหายไปแต่ฉันรู้ฉันรู้ฉันเชื่ออะไรตามคนก็ยังรากกันแต่ฉันรู้ฉันรู้ฉันเชื่อถ้ามีเหตุผลที่ไปจากฉันแต่ไม่ว่าเพราะอะไร ที่ไหนฉันจะตามเธอไปตามหัวใจกลับมาเธอคือความรักเธอคือหัวใจเธอคือความหมายเธอคือวิญญาเธอคือชีวิตเธอคือทุกอย่างไม่ว่าหันทางจะไกลเท่าไรจะตามหาจะไปพบเธอ ออกไปคนไม่จะหัวใจสุดแผ่นฟ้าหรือแหงหันไร จ, จะตามหัวใจของฉันและเธอกลับคือเธอคือความรักเธอคือหัวใจ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 สุดฟ้าทะเลแสนไกลจะไปหาเธอช่วงเฮลทริป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 กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเที่ยวที่ขรับขรับของคนรักสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังคือช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงของ He ี่ยวทรินะคะทริปสุขภาพที่เรามาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยมีมากมายเลยนะคะหลากหลายด้วยสําหรับวันนี้พี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะมีอาหารดีๆค่ะที่ที่จะ น, นํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะเป็นอาหาร5ชนิดค่ะคุณผู้ฟังที่ว่าเราเนี่ยสามารถกินได้ทุกวนันแล้วก็กินได้ดีมีประโยชน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่ง5อาหารที่ดิฉันนํามาฝากในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นห อาหารที่แบบ หาได้ง่ายแล้วก็มีตามท้องตลาดโดยทั่วไปแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็รับประทานกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งทางคณะสาธารณ์ศุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเลยค่ะคุณนุฟังเขาแนะนํา5อาหารที่สามารถกินง่ายกินดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะสามารถกินได้ทุกวันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการทํางานของร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือถั่วค่ะคุะคณนุฟังก็จะเป็นสารพัดถั่วเลยค่ะที่เรารู้จักกันเพราะว่าถั่วนี่ลาเป็นแหล่งปโปรตีนแล้วก็แหล่งพลังงานชนั้นดี นะคะคุณฟังที่เรานี่แหละคนที่จะรับประทานเป็นประจำนะคะแล้วก็นอกจากนี้ขาดถั่วเนี่ยยังมีไขมันดีรวมถึงมีวิตามินอ e ีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะคะ สารพัดถั่วที่ว่านะคะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นถั่วลิสงอ่าบ้านเรามีแน่นอนค่ะถั่วแดงนะคะถูกถั่วลิสงใช่แล้วค่ะแต่ว่าต้องเลือกดีๆนะคะอย่ามีเชื้อรานะคะก็มีถั่วลิสงนะคะถั่วแดงอ่าถั่วดําใครที่ชอบเขียวน่าราคากําลังจะบอกว่าใครที่ชอบถั่วเขียวโตน้ําตาลมาถูกทางแล้วค่ะถั่วเหลืองพี่แมวได้ค่ะถั่วเหลือง อ่ะถ้าไปถั่วต่างประเทศดูบ้าง mond, อัลมอนด์ได้อยู่วอลนัทได้อยู่ะนะคะซึ่งถั่วเหล่านี้ราคาคุณผู้ฟังเขาจะมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องกินด้วยความระมัดระวงังเพราะว่าถั่วเนี่ยเป็นอาหารที่มีพลังงานสูงถ้าเกิดบางทีเราทานไปมากๆแล้วเราไม่ได้การได้เบิร์นหรือว่าได้เผาผ่านในบ้านบางทีเขาก็แอบจะมีการสะสมบ้างเล็กน้อยนะคะอ่ะต่อไปใครที่ ชื่นชอบสายโยเกิร์ตมาถูกทางแล้วค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติแต่ว่าต้องวงเล็บว่าเป็นรถธรรมชาตินะคะเพราะโยเกิร์ตนี่แหละค่ะเราได้ยิงกันอยู่เป็นประจํานะคะคุณนุ่นฟังว่าเขาจะมีพรีไบโอติกนะคะซึ่งมีผลดีต่อร่างกายช่วยในเรื่องของการทํางานระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายอีกทั้งยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนนะคะแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามิน B12 กรดไขมันดีแล้วก็ยังทําให้คุณนุ่นฟังนี่รู้สึกอิ่มได้ดีขึ้นด้วยใครที่ดูแล สุขภาพในเรื่องของเส้สอส่งองคเอลนะคะในะเรื่องหุ่นเนี่ยหรือว่าลดน้ําหนักเนี่ย<ม>โยเกิร์ตถือเป็นเองกหนึ่งตัวช่วยที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องวงเล็บค่ะคุณผู้ฟังว่าต้องเป็นรถธรรมชาติต่อไปค่ะอ่ะคุณผู้ฟังอาจจะแบบเอ๊ะไม่คุนชื่อนะคะนั่นก็คือกระหล่ําดาวค่ะคุณผู้ฟัง<ม>ซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับมีมกระหล่ําขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือ น, นี่แหล ะ, ะแต่ว่ามันจะมีเป็นกะหล่าหัวเล็กๆะคะ่ะน้องทีคุณผู้ฟังเขาก็เรียกว่า กระหล่ำดาวนะคะกระหล่ำดาวเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่างๆทั้งวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K อ่าก็มีในกระหล่ำดาวด้วยนะคะรวมถึงโพแทสเซียมโฟเลตรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระในกระหล่ำดาวก็มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วในกระหล่ำดาวค่ะคุณผู้ฟังเขาก็มีพลังงานต่ําด้วยเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์ทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังต่อไปอ่ะ เรามาถึงในเรื่องของสัตว์กันบ้างนั่นก็คือปลาแซลมอน ใครๆก็แหละแหท่านก็คงอชอบอยู่นะหรือไม่ก็รับประทานอยู่เป็นประจำนะคะโดยเนื้อของปลาแซลมอนนี่แหะค่ะก็จะเต็มไปด้วยโปรตีนดีนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะที่ทราบกันอีกก็คือจะมีกรดไขมันโอเมก้าสที่ดีต่อสุขภาพของหัวใจรวมถึงสมองซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีวิตามินดีนะคะช่วยบํารุงกระดูกได้อีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่กินปลาแซลมอนได้ทุกวันเนี่ยอย่างน้อยค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์ละ1ครั้งก็ยังดีนะคะเพราะว่าปลาแซลมอนนี่แหะค่ะจะทําให้มี มีผลดีต่อร่างกายนะคะถ้าเกิดใครไม่สามารถที่จะทานได้ทุกวันอ่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง<ะ> ก, ก, ก็ได้เหมือนกันราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะค ะ, ะใช่ค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นก็บอกว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะนคนเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้นะะ <c oughs> อันนี้แล้วแต่สุขภาพ <c oughs> เงินในกระเป๋า <c oughs> แล้วกันนะคะต่อไปค่ะอาหารดีสุดท้าย มาถึงผลไม้กันบ้างนั่นก็คือบูเบอรี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายเขาคุณผู้ฟังพวกผลไม้ที่มีสีม่วงเข้มลูกเล็กๆนี่แหละค่ะอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเขาก็จะเต็มไปด้วยสารอนุมูลอิสระนะคะมีวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็มีกใยใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะแล้วก็ในบูเบอรี่เนี่แหละเขาก็จะมีแคลอรี่ต่ำก็เหมาะกับการที่ใครที่ลดน้ําหนักหรือว่าควบคุมอาหารควบคุมน้ําหนักเนี่ยตระกูลเบอร์รี่นี่ตระกูลเบอร์รี่นี่แหละค่ะก็ะะสามารถที่จะช่วยคุณผู้ฟังได้นะคะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันนำมาฝากก็ถือว่าเป็นอาหารนะคะที่ทานว่าจะเป็นอาหารเป็นผลไม้นะคะที่ทานแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ทุกวันแล้วถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ออกกำลังการรวมถึงการจัดระเบียบการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอเนี่ยเชื่อได้ว่าคุณผู้ฟังต้องมีสุขภาพดีอย่างแน่นอนหรือว่าใครที่ยังไม่เริ่มต้นนะ เริ่มต้นได้จากอาหารการกินง่ายๆนี่แหละค่ะบางทีเราก็ต้องจัดสัดส่วนในการรับประทานดูด้วยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราทานอะไรมากไปเราต้องเสริมอะไรหรือว่าเราทานน้อยไปเราต้องเอานําอะไรเข้ามาเพิ่มฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องดูในเรื่องของการรับประทานอาหารในแต่ละวันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาหารดีเหล่านี้อยู่หนึ่งในมื้อหารข อ, ของคุณผู้ฟังนี้เชื่อว่าร่างกายต้องดีแน่นอนค่ะ จริงๆตระกูลถั่วก็ซื้อหาง่ายนะคะใช่ค่ะแล้วมีประโยชน์นะเต้าหู้ก็มีถั่วเหลืองนะก็เป็นถั่วเหลื อ, ลอบ<า>งออบางคนงก็จ ะ, อะขอแปลรูปนิดนึงเป็นถั่วเขียวต้นตานมตาเดียดที่น้องทีว่านะคะหรือไม่ก็เป็น ถัวดำต้มก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในเรื่องของปริมาณแคลอรี่นะคะทานด้วยนะคะเป็นเบาหวานหรือเปล่าความมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ค่ะคุณฟังแต่ว่าก็ต้องดูว่าไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะอาหารดีๆที่สามารถรับประทานได้ทุกวันค่ะค่ะมาถึงในเรื่องของทริปที่ทีทฉันเอามาฝากคุณผู้ฟังบ้างนะคะปัจจุบันนี้มีคนป่วยเป็นโรคเก่ากันเยอะนะคะรวมถึงข้ อ, อกเสืม นะคะปวดข้อโรคข้อแล้วก็เป็นโรคเกานะคะดิฉันก็เลยจะมาแนะนำเมนูอร่อยๆที่ทำได้ง่ายนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือว่าโรคเกานะคะคือโรคข้ออักเสบและเกาเนี่ยมันส่งผลทำให้ร่างกายเกิดความเจ็บปวดนะคะมันมันอาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตนะคะแต่มันค่อนข้างทรมานนะคะ การป้องกันโรคอักเสบและเกาจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจยิ่งคนป่วยเป็นโรคเกาและคออักเสบอยู่ก่อนแล้วยิ่งต้องดูแลอาหารการกินต่างๆค่ ะ, คะซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเลือกและควบคุมได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้ห่างไกลจากโรคเกาหรือว่าบรรเทาอาการปวด ของโรคได้บ้างนะคะมาถึงการดูแลสุขภาพเพื่อบรรเทาอาการของโรคอักเสบแล้วก็โรคเกานะคะด้วยการรับประทานอาหารถือว่าเป็นหนึ่งทางเรื่องในการดูแลสุขภาพนะค ะ, ข, ะ, คะข้อแนะนําค่ะดิฉันก็มีในเรื่องของข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าควรรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้าสสูงเพราะว่าจะช่วยบำ ร, รุงข้อต่อกระดูกและลดการอักเสบตามข้อได้นะคะมีข้อมูลจากงานวิจัยค่ะว่าปริมาณไขมันทั้งหมดอดกรด โอเมก้า6และกรดโอเมก้า3ในปลาทะเลแล้วก็ปลานําจืดของไทยนี่แหละพบว่าปลาดุกเนี่ยมีกรดไขมันโอเมก้า3อยู่ที่ 0.46 กรัมมากกว่า ปลากระพงขาวซึ่งพบได้ 0.40 ่กรัมนะคะเราก็ต้องเลือกวิธีปรุงให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าโอเมก้าสาสลายไปได้ง่ายหากผ่านความร้อนสูงจึงต้องหลีกเรี่ยงการทอดอเพราะฉะนั้นต้องนึ่งหรือเปล่าพี่แมวย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึ่งดีที่สุดเพราะบางทีการย่างเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของความไม่เกลี่ยมยังยังบอกว่าปลาดุกเนี่ยเขามีมากกว่า ปลากระพงขาวปลาดุกก็หาง่ายนะคะอันนี้มีโอเมก้าสมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทอดอย่างที่บอกว่าจะเอาไปต้มเอาไปนึ่งเอาไปย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ําเพื่อควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดโดยควรรับประทานผักต่างๆอย่างน้อย400กรัมต่อวันนะคะควรบริโภคโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสม นะคะไม่ควรรับประทานมากเกินไปโดยเน้นโปรโตีนไขมันต่ําก็เป็นโปรโตีนจากพืชอย่างเช่นตะกูลถั่วเนาะพี่แมวอันนี้ก็มีโปรโตีนค่อนข้างสูงนะคะพร้อมกับหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อแดงเช่นเนื้อหูเนื้อหมูเนื้อวัวยอย่างนี้นะคะห้ามรับประทานสําหรับคนที่เป็นเกาหรือว่าข้ออักเสบนะคะให้รับประทานผลไม้สดสดนะคะเลี่ยงน้ําผลไม้เพราะมีน้าตาลสูงดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอกับ 8-10 แก้วต่อวัน หลีเกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยกตัวอย่างเมนูอาหารทําง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงโรคข้ออักเสบแล้วก็เกานะคะเริ่มที่เมนูแรกก็คือน้ําพริกปลาดุกย่างพี่แมวค่ะน่ากินนะคะเริ่มต้นกับคุณผู้ฟังจดกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการผสมน้าําปลาน้ำมะนาวน้ําตาลทรายพริกขูดหนูซอยหอมแดงซอยต้นแหกต้นหอมซอยคผ<ะ> <laughs> ักชีฝรั่งข้าวคั่วใบสะระแหน่ คลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วก็คลุ้อพริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมพอเกลียมตำพริกห ย, ยาบๆใส่หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมตำให้ละเอียดใส่เนื้อปลาดุกย่างลงไปตำรวมกันให้ละเอียดปรุงรสนะคะน้ำปลาน้ำมะขามน้ำตาลชิมรสตามชอบรับประทานแกล้มกับผักสดหรือผักลวกค่ะเมนูที่2ก็คือราบเต้าหู้อื รับเต้าหู้นะคะโดยใช้ซ่อมเนี่ยยีเต้าหู้ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วคั่วในกระทะจนแห้งผสมกับน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวน้ำตาลทรายพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งเข้าคั่วแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะก็คลุกเคล้าให้เท่ากันเองแล้วก็รับประทานแก้มกับผักสดก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพที่ได้ประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงข้ออักเสบแล้วก็โรคเกานะค ะ, ะและวิตามินจากแร่ธาตุจากผักจากปลาเนี่ยได้พร้อมๆกันเลย เพราะอาการปวดข้อส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเสียบหรือเกาดังนั้นการใส่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหารคือหัวใจสําคัญค่ะนอกจากนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองว่ามีอาการผิดปกติไหมถ้ามีการผิดปกติก็ต้องไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากพี่แมวโดยเฉพาะโรคเกาเนาะก็ในเรื่องของอาหารการกินด้วยรวมถึงในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วบางทีเนี่ยโรคเกาบางทีแบบ บางคนก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นโรคที่ใกล้ตัวมากในชีนชวิตประจำวันเหล่านี้แล้วก็ในเรื่องของอาหารที่เรากินทุวันบางคนก็บอกว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์จะกินไม่กินเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกค่ะเพราะว่าจะทําให้ผักทอดยอดด้วยนะคะเป็นโรคเกาแล้วก็ทําให้โรคกําเริบไปคือคือาบางทีอัตราเสี่ยงที่จะทําให้เป็นโรคเกามีมากขึ้นก็จะบอกว่าอาหารการกินที่เรากินไปทุกวันนี้แหละค่ะบางทีเราก็ ต้องระมัดระวังนะต้องศึกษาข้อมูลเพราะบางคนเขาเป็นพี่แมวแล้วก็บอกนานๆกินทีไม่เป็นไรไม่เป็นไ ร, ร อ, อ่าอันนี้ถือว่าเข้า <c oughs> ข้างตัวเองนะคะ <c oughs> เ, ออเขาบางทีจะคิดแบบนี้ว่านานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกไม่ได้กินทุกวันนะคะ<ต> <c oughs> ก็ตามใจปากไปบ้างอะไรบ้าง <c oughs> แต่ก็อาจจะได้นะพี่ว่านะ <c oughs> ถือว่าอ่ะอะให้กําไรกับชีวิตคือให้ตัวเองบ้างนิดนึงแล้วกันแต่ว่าก็ต้องดูปริมาณการรับประทานด้วยนะว่า อ่ะให้2องชีดไม่มีการแถมนะอะไระอย่างนี้นะคะเดือนละหนึ่งครั้งอ่ะพอให้ก็พายได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งบางทีก็อย่างที่น้องทีบอกการรักษาก็ค่อนข้านที่จะลําบากแล้วก็ยิ่งที่เกิดอายุมากขึ้นด้วยแล้วก็เรายังต้องใช้การเดินหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันเนี้ยบางทีมันก็ลําบากเหมือนกันน ะ, ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษากันดีๆคะ่ะก็อยากให้นึกถึงเวลาที่มันปวดมันอักเสบนะคะ เวลาที่กินก็อาจจะต้องนึกถึงว่าอะไรที่คุณหมอสั่งห้ามนะคะเวลาปวดเวลาอักเสบอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ไม่คุ้มกันกับการจะต้องได้ทานตำปาค อ, อย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะอาจจะต้องน<า>นข้าม ใ, ใจกันบ้างนานๆครั้งได้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นทริปดีๆจากเราทั้งสองคนค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะสักครู่ค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพ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 ก็ฟังไปแล้วว่าบางคนเขาก็กเกษียณอายุมาปัดหมาดเลยพี่แมวสามสกันยายนะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ Health ท a l k ในวันนี้เราเอาใจผู้กเกษียณอายุทุกท่านนะคะเรามีสิ่งที่คุณ คุณที่เกษียณอายุเนี่ยต้องฟังะนะคะเพราะว่าถ้าทําได้เนี่ยวัยเกษียณก็จะมีความสุขมากนะคะแล้วก็อาชีพต่างๆวัยเกษียณนะคะอาชีพเสรมิมซึ่งถ้าเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้มันมีความสุขทําอาชีพอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ฟังเราทั้ง2คนนะคะเป็นเชิงจิตวิทยาเบาๆนะคะพร้อมกับความรู้ในเรื่องของในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะสิ่งที่ทําได้นะคะถ้าคุณเกษียณไปแล้วคุณจะมีความสุขอย่างแรกเลยอาจจะต้องกําจัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปคะ่ะพี่แมวค่ะอันนี้อาจจะ เนการวางแผนก่อนเกษยียณนะคะสมมุติว่าถ้าเรามีอายุ40ปีละ40ปีขึ้นแล้วเรามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตโดยเฉพาะการเงินในอิสระค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงนะคะอยากทานอะไรก็ทานอยากเที่ยวไหนอยากทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะต้องวางแผนไว้เกษยียณโดยเริ่มลดค่าใช้จ่ายออกในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าลองจินตนาการว่าถ้าเราอยู่ในช่วง60สิบกว่าแล้วเด็กรุ่นลูกรุ่นห ล, ล, ล, ล, ลานนะคะ เดินเพลินๆนะคะใช้ชีวิตไปเพลินๆตามนั้นนะคะเราจะใช้ชีวิตโดยที่เราไม่จำกัดตัวเองนะคะใช้ชีวิตเพลินไปเรื่อยๆพอ6กกว่าเราไม่มีไรายได้เนี่ยอันนี้จะลำบากนะคะเ <ๆ S 2> ก็บก่อนด้วยก่อนค่ะ <ม S 1> ถ้ายังคงใช้ชีวิตตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้ก็แบ่งเงิน 10% ของเงินไปฝากออมไว้เป็นเงินลงทุนตั้งแต่เดือนแรกนะคะยิ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะต้องวางแผนการใช้จ่ายนะคะสิเนี่ยไว้ใช้ยามเกษียณนะคะรับรองว่ากเกษียณไปก็ไม่มีเงินขาดมือแน่นอนนะคะเรื่องช่องทางการออมค่ะหลายคนก็เข้าใจว่าเงินออมลงทุนเตรียมไว้เนี่ยไว้ใช้ตอนแก่เทาต้องปลอดภัยสุ ด, สด ๆ, ๆช่องทางการเก็บพ้นก็อาจจะไม่หนีกับการพันธบัตรรัฐบาล น, นะคะอาจจะซื้อไว้ไม่ผิดที่จะเลือกลงมือทําแบบนี้แต่ผลตอบแทนที่ได้อยู่ในระดับ ต่ำเช่นเดียวกันนะคะหรือไม่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะอาจจะมีหลายช่องทางที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอาจจะต้องไปซื้อกองทุนรวมหุ้นหุ้นบันผลนะคะพวกนี้ IMF IMF นะคะหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะต้ซื้อรวมไปด้วยนะคะเลือกช่องทางออมให้มันถูกยอมเสี่ยงบ้างคะ่ะบางทีเนี่ยเสี่ยงต่ําผลตอบแทนก็ต่ําไปด้วยแต่ถ้าเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็ย่อมสูงหมายความว่าต้องยอมแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลที่มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงนะคะอยงเช่น ทุนรวมหุ้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะได้ดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือจุดหมายปลายทางค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหากเกษียณแล้วต้องอาศัยอยู่ที่ทในกรุงเทพหรือหัวเมืองหลักๆอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตโคราช พวกนี้หัวเมืองพวกนี้ต้องใช้เงินในการดํารงชีวิตค่อนข้างสูงนะคะเพราะค่าครองชีพแพงค่ะทางออกก็คืออาจจะต้องไปใช้ชีวิตในเมืองรองๆที่มีค่าครองชีพต่ําลงหากมีแผนแบบนี้ก็ต้องเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทดลองการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเป้าหมายหากใช้ชีวิตแบบทาวนจ์จริงๆเนี่ยจะได้อยู่จะอยู่ได้นะคะโดยสํารวจปัจจัยขั้นพื้นฐานค่ะว่าพร้อมหรือไม่ก็คือจังหวัดที่เราจะไปอยู่หลังเกษียณเนี่ยใกล้โรงพยาบาลไหมใกล้ระบบขนส่งไหมมีสวนสาธารณะไหมมีที่พักอาศัยเป็นยังไง ค่าของชีพเป็นยังไงบ้างนะคะพี่แมวคะ่ะก็ต้องดูว่า ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ที่อาจจะต้องเริ่มทําแบบเ น, น้ๆชัดเจนด้วยนะไม่ใ ช, ใช่แบบปีนี้ฉันจะอยู่เชียงใหม่ปีหน้าฉันจะไปอยู่โคราชก็ไม่ได้นะคะทีนี้เมื่อถึงวัยเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีอาชีพไหมมีค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งมีหลากหลายอาชีพทีเดียวค่ะที่เราสามารถทําแก้เหงาได้แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนก็ได้มีอาชีพดีๆที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าบางคนอาจจะชื่นชอบอาชีพนี้บางคนอาจจะไม่ชื่นชอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความสามารถหรือว่ามีความ พิเศษทางด้านใดนะคะอย่างแรกเอาลองสำรจวจตัวเองดูค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเขียนหรือเปล่าชอบขียนชอบเขียนไหมนะค ะ, ะ, คะซึ่งก็จัดว่าเป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยสามารถทํากันได้ง่ายๆสําสหรับการที่จะเป็นนักเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือนะคะหรือเขียนบล็อกก็แล้วแต่นะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้นะมีการรีวิวสินค้าต่างๆก็สามารถทําได้นะคะเพราะเชื่ออยู่แล้วค่ะว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งแล้วก็มี ความถนัดที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงความสนใจด้วยนะคะเพียงแต่ว่าให้นําสิ่งเหล่านั้นละคะ่ะกลั่นกรองมาออกมาเป็นตัวหนังสือนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดใครเนี่ยมีประสบการณ์อ่ะเราก็เอาประสบการณ์นั่นละคะ่ะที่สั่งสมมา น, นี่แหละบวกลงไปด้วยนะคะก็จะทําให้อาชีพนักเขียนเนี่ยเหมาะกับคนวัยเกษตรมากที่สุดนะคะหรือถ้าใครมีจินตนาการเก่งๆนะคะมีความคิดอันบันเทิงเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนเป็นการ์ตูนก็ได้หรือว่าเขียนนิยาย<ห>ก็ได้เห็นไหพี่มวพวกนิยายเรื่องต่างๆที่เขามาทำ เป็นละครเนี่ยส่วน ใ, <ช>ใหญ่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากนักเขียนที่ค่อนข้างมีอายุเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็นักเขียนที่เราดูกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นละครทางโทรทัศน์นะคะก็จะเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างจะมีอายุก็จะบอกว่านี่แหละค่ะก็คือเป็นประสบการณ์ที่เขาะสะสมมารวมถึงหยิบเอาสิ่งใกล้ๆตัวนี่แหละมาเขียนเป็นนิยายก็ได้หรือว่ามาเขียนเป็นการ์ตูนก็ได้นะคะบางคนก็สามารถโพสตข์ขายทางอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะคะ อ่าถ้าเกิดว่าเป็นนักเขียนไม่ชอบลองดูค่ะงานเป็นล่ามงานแปลงงานหรือว่างานเป็นไกด์บางคนก็บอกโอ๊ยหกสกว่าแล้วจะเป็นไกด์ได้ยังไงคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะคะวะัยเกษียณเนี่ยหรือว่าวัยผู้สูงอายุนิ่เที่ยวเก่งกว่คนวัยทางานอีกนะคะเพราะเขาจะมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ไกด์ที่มีอายุดุ่นราวเขาเดียวกันนะคะก็ะอาจจะเข้าใจกันง่ายนะคะซึ่งอาชีพเป็นไกด์นะคะก็เป็นหรือว่าการแปลงงานการเป็นล่ามเนี่ยเป็นอาชีพ ที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านภาษาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เหมาะกับวัยเกษียณเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นงานที่ต้องมีประสบการณ์ความละเอียดรอบคอบสูงนะคะโดยให้เลือกอาจจะเป็นการรับจ้างแปล ง, งานก็ได้ที่สามารถทําเองได้ที่บ้านนั่ไม่จําเป็นต้องขับรถออกไปทางานข้างนอกนะคะหรือว่าใครขี่เบื่อจังเลยออยากออกไปพบปะผู้คนที่ไม่ซ้ำหน้ากันก็อาจจะเป็นล่ามก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นไกดท่องเที่ยวก็ได้อย่างที่บอกนะค ะ, คะหรือ มีความสามารถนะคะประสบการณ์จากที่มี ใช่ไหมค ะ, มคะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะ <S S S หรือแม่ก็จะเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหรือว่าที่ที่ทํางานนั้นๆก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาบริษัทหรือว่าผู้ชํานาญการพิเศษนะะั่นค่ะถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆนะคะยานจําเป็นต้องมีประสบการณ์และก็ความน่าเชื่อถืออีกด้วยนะคะในปัจจุบันนี้ก็จึงจะพบว่าในหลายๆบริษัทนะคะก็มักจะเชิญคนวัยเกษียณนี่แหะคะ่ะให้กลับมานั่งเป็นที่ปรึกษาน เขาจะมีความเข้าใจมีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะช่วยให้บริษัทนั้น ๆ, ๆตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสาคัญได้หรื อ, อบางคน ชอบการเป็นผู้สอนอาจจะเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรพิเศษหรือว่าเป็นนักฝึกอบรมนะคะซึ่งผู้เกษตรบางคนเนี่ยถือว่าเป็นคลังความรู้เลยค่ะที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตนะคะถ้าจะปล่อยให้สูญหายไปตามกาลวเวลาเนี่ยก็ถือว่าไร้ประโยชน์แล้วก็น่าเสียดายนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้นํามาแบ่งปันให้กับคนรุ่นหลังนะคะถือว่าเป็นการดีไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่วัยเกษตรนวนม า, ม, มากค่ะที่ผ่านตัวเองมาเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นวิทยากรต่างๆเพื่อเพื่อที่จะเผยแพ่ วความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่ท่งคุณค่าอาจจะเป็นการและเปลี่ยนความรู้ ค, ความคิดเห็นกันแล้วบางทีก็เอาประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมานั่นล่ละค่ะมาเล่าให้ใหกับกคนรุ่หนหลังได้ฟังส่วนใหญ่ที่จะได้ยินเขาก็จะแบบว่าใช้อายุอย่างไรกเกษียณอายุอย่างไรให้มีความสุข นะคะสุขใจอย่างไรหลังวัยเกษียณอันนี้ก็จะเป็นแบบวิทยากรซึ่งเกษียณอายุแล้วล่ะแล้วก็ไปทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็มาถ่ายทอดนะคะให้กับผู้ที่ใกล้เกษียณได้ฟังกันนะคะอีกหนึ่งอาชีพค่ะทำงานในบริษัทเอกชน ถึงแม้ว่าอายุจะวัยเกษียณแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องออกจากงานไปเลยเสมอเรยนะคะเพราะว่าสมัยนี้มีเอกชนโรงงานหลายๆแห่งเนี่ยหันมาจ้างคนวัยเกษียณทำงานต่อกันเยอะนะคะเพราะได้ทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมา ย, ยาวนานแถมไม่ต้องไปเสียเวลาฝึกพนักงานใหม่มาทดแทนพี่แมวถ้าสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะค่ะ ช่างซ่อมอ่าช่างซ่อมก็เป็นงานที่ต้องใช้แรงกายสักหน่อยนะคะถ้ายังสุขภาพแข็งแรงอย่างที่ดิฉันบอกไม่มีโรคภัยก็มีทักษะพวกช่างซ่อมเนี่ยเขามีทักษะความสามารถทางด้านช่างติดตัวอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆคนเราจะเห็นว่าช่างไฟฟ้าก็อายุประมาณหนึ่งแล้วนะคะช่างคอมพิวเตอร์ช่างมือถืออุปกรณ์ภายในบ้านถูกเป็นแหงรายไ ด, ได้ที่ดีทีเดียวนะคะแถมออกไปแล้วก็ยังติดตัวได้นะคะทําให้ออกกําลังกายด้วยทํางานด้วยร่างกายก็ แข็งแรงขายภาพถ่ายออนไลน์ <c oughs> พี่แมว <c oughs> บางคนเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ยอดฮิตไม่เว้นแต่วัยเกษียณหลายคนที่หลงรักการถ่ายภาพซึ่งเขาอาจจะมีพรสวัรค์ในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะหันมาหาไรายได้เสริมโดยการขายภาพผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายเว็บไซต์นะคะส่วนเรื่องผลตอบแทนก็ไม่น้อยเพอเพอทได้ดีกว่างานประจาอีกนะคะไรายได้เนี่ย ขายของออนไลน์พี่แมว อ, อายุเท่าไรก็ทําได้ทําได้ค่ะไม่ต้องวยัยเกษียณก็สามารถที่จะทําได้นะคะค่ะก็เริ่มต้น ง, ง่า ย, ายๆใช้เงินลงทุนไม่มากนะคะแถมมีโอกาสทําเงินได้สูงจะเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่เดียวค่ะถ้าไม่รู้จะขายสินค้าอะไรก็ลองเลือกขายสินค้าที่ตัวเองมีความสนใจนะคะหรือมีความรู้นในผลิตภนนัณฑ์นั้นๆดูก่อนบางทีก็อาหารเสริมก็ได้นะพี่แมวได้วยค่ะอ๋อรับประทานแล้วแข็งแรงย <c oughs> ิ่งถ้าเกิดผู้สูงอายุเนี่ยหรือว่าวัยเกษียณเนี่ยได้ไป รีวิวสินค้าเนาะขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะคะก็อาจจะทําให้ยอดขายหรือไม่ก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยปัจจุบันนี้สังคมเราเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มเป้าหมายเยอะมากนะคะสามารถซื้อขายได้เลยนะคะถ้าเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรแบบนี้นะคะอ่ะง่ายๆอีกหนึ่งอย่างสําหรับคุณผู้หญิงละกันที่มีเสน่ห์ไปจะหวักพี่แมวทําอาหารหรือว่าทําขนมขายอืมอันนี้หลายหลายคนหลานไปขายเนาะพี่แมวที่ทำงานจะบอกว่าหลายหคนเป็นอยู่นะคะเหมือนกับแบบ เหมือนบางคนมีความชื่นชอบอะแล้วพอรู้ว่าตัวเองจะกเกษียณเนี่ยพอหลังจากเวลางานแล้วว่าไปเรียนเป็นจริงเป็นจังก็มีนะคะคือกะว่าเกษียณอายุราชการอยู่บ้านเฉยไม่ได้แหละอย่างน้อยก็หาตังค่าขนมให้ลูกหลานรวมถึงตัวเองนี่แหละก็อาจจะทําอาหารหรือทำขนมขายแล้วฝากลูกหลานไปขายที่ทำงานใช่ไหมะบางทีเขาก็ขายหน้าบ้านนะเป็นบ้านตรงนนทบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายังมีบ้านสวนอะเขาก็ทําขนมแล้วก็มาตั้งโต๊ะขายหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะ ก็สามารถได้เหมือนกันนะคะนอกจากทำทำอาหารทําขนมขายแล้วนะคะก็ในเรื่องของการเปิดร้านขายอาหารขายกาแฟะอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีทํำเลดีๆไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตมากหรอกค่ะเป็นแค่ร้านเล็กๆพอมีรายจ่ายในพอมีจ่ายมีไรายได้จ่ายได้ในชีวิตประจําวันนะคะาการเปิดร้านขายของเนี่ยก็ดีตรงที่เราได้มีโอกาส พูดคุยกับลูกค้ามากหน้าหลายตาทําให้ชีวิตไม่น่าเบือ่อดีต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะอีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันปลูกต้นไม้ปลูกผักทําเกษตรเกษีกยณแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับสวนอยู่กับธรรมชาตินะค ะ, คะลองปลูกผักแบบง่ายๆไว้บริโภคเองค่ะเหลือเท่าไรก็ค่อยเก็บไปขายสร้างไรายได้นะคะซึ่งอาจจะเลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตอนเล็กๆนะคะดูแลไม่ยากไม่ต้องใช้แรงมากนะคะทำสวนแก้เหงาแล้วก็ส่งขายหรือบมงทีอเอาออกมาขายหน้าบ้านแบบชิวๆค่ะพี่แมวคือบางคนเนี้ยถือว่าคือพี่จะพูดเสมอว่าบางคนอ่ะผู้ใหญ่อ่ะเขาะจะมือเย็นอ่ะ ปลูกอะไรก็ขึ้นก็สวยก็งามไปหมดนะคะบางคนก็อาจจะปลูกไว้ในบ้านนะแล้วพอใครไปเยี่ยมใครไปหาอุ้ยสวยจังเลยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำเล่นๆอย่างที่ต้องจิวบอกก็คือชิวๆออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะค ะ, ะอยู่กับสิ่งมันเติบโตอย่างเงี้ยนะคะสิ่งจใจก็ฟูขึ้นมาใ ช, ชแ่แล้วค่ะอยู่กับสิ่ง ส, สวยงง ๆ, ๆงาม ๆ, ๆามอ่ะการฝีมือก็แล้วนะก็อย่างเช่นอาหารทาขนม ปลูกต้นไม้ขายกาแฟเปิดร้านกาแฟถ้าเกิดใครมีฝีมือทางด้านงานศิลปะก็สามารถที่จะเป็นอาชีพได้เช่นเดียวกันนะคะงานศิลปะเหรอคะ คืออาจจะเป็นพวกงานศิลปะงานฝีมือต่างๆบางคนงานถักโคเชงานถักนิตติ้งหรือการทําดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าบาติกหรือว่าใครที่ชอบวาดภาพก็อาจจะเป็นภาพเหมือนหรือภาพการ์ตูนก็ได้ได้เหมือนกันทั้งนั้นเลยค่ะถือว่าเป็นเป็นผลงานสร้างสรรค์นะคะแล้วที่สําคัญเนี้ยบางทีเนี้ยเอาไปขายได้ด้วยนะใครในอินเทอร์เน็ตก็ได้ในไอก็ได้หรือที่ไหนก็ได้นะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ใครที่ชอบทางด้านงานฝีมือต่างๆว่าจะทําอาหารทําขนมปลูกต้นไม้งานศิลปะงานฝีมือ คือ หรือถ้าเกิดใครมีพื้นที่เป็นแนวอนุรักษ์นิยมจะเปิดบ้านพักเป็นโฮมสเตย์ก็ได้บางคนก็จะมีพื้นที่บ้านบริเวณบ้านหรือพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะมีที่เหลืออาจจะเป็นการสร้างห้องพักโฮมสเตย์ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ปล่อยให้เขามาเช่าเป็นการสร้างไรายได้นะคะยิ่งถ้าเปิดปัจจุบันนี้ในเรื่องของบ้านพักแบบโฮมสเตย์เนี่ยเป็นที่นิยมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็จะมีลูกคา้านักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเวียนเข้ามาหาแล้วบางคนในบางสถานที่เนี่ยใช้ความเป็น ธรรมชาติก็สามารถที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวมาได้เหมือนกันหรือบางคนอะทุกวันนี้เราก็จะเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งบนท้องถนนที่เราเดินกันอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะก็มีอย่างเช่นตู้หยอดเหรียญเป็นต้น ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตู้ยอดเหรียญตามจุดต่างๆนันก็จะมีเงินที่บอกคือตเต็มไปหมดเลยนะคะบนท้องถนนเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีเงินลงทุนอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเงินบางส่วนตรงนี้แหละมาลงทุนเป็นธุรกิจตู้ยอดเหรียญก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตู้หยอดเหรียญในเรื่องของเติมน้ำมนัน <c oughs> ตู้เติมเงิน สักผ้าใช่แล้วตู้กดน<า>ม้มนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราแบบลงทุนครั้งเดียวนะอขออนุญาตใช้คำว่าเสือนอนกินได้ไหม ค, คือเก็บอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเราเนี่ยคือคือบางทีเอ การลงทุนในตู้หย่อดเหรียญบางทีก็ต้องมีการเข้มงวดดูแลความสะอาดด้วยนะคะใช่แล้วค่ะบางทีเราก็ต้องมีความพิถีพิถันนิดนึงอ่ะต่อไปถ้าเกิดใครที่จะแบบโอ้ยฉันไม่เอาเลยเลยสักอย่างเดียวอ่ะฉันขอเอาแบบง่ายๆแต่ฉันมีตังฉันจะทําอะไรดีซื้อพันธบัตรไปลงทุนในทํานองนี้เลยค่ะก็คืออาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลได้ค่ะเงินฝากประจําหรือว่าตราสารนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจฉันไม่มีความรู้่แต่ฉันอยากจะลงทุนประเภทนี้นะคะเขาก็มีตัวแทนแล้วก็มี คําแนะ น, นําจากนักลงทุนที่ดีนะคะอาจจะเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยหรือว่าอาจจะลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยหรือแม้ถ้าเกิดลงทุนส่วลงทุนสูงใช่ไหมคะผลตอบแทนก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะอย่างเช่นกองทุนเงินปันผลนะคะค <investment. S 1> หรือว่าเงินปันผลการลงทุนหุ้นออือก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเวลามีผลออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรืออะไรหรือว่าเงินปันผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินต่อเงินล่ะนะคะค สุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังก็ฝากเอาไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทําแล้วมีความถนัดและที่สําคัญคือทําแล้วมีความสุขเหมาะกับสุขภาพร่างกายของตัวเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากทําอาชีพเสริมหรือว่าทําอะไรที่แก้เครียดแก้เซ็งนะแต่ว่าทําแล้วมีความไม่มีความสุขถึงแม้อาจจะได้ไรายได้เยอะก็แล้วแต่แต่ว่าต้องมานั่งทรมานนะคะ อ, อาจจะปวดลางเมื่อยตัวเมื่อยนิ้วนิ้ ว, วล็อกอันนี้ก็ไม่คุ้มนะคะจะต้องทําให้ เองเนี่ยมีความสุขนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจแล้วก็สุขทั้งสุขภาพด้วยแล้วที่สําคัญก็คือจิตใจก็มีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีหลากหลายอาชีพทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่น่าสนใจหลังจาก<ห>ที่จะไม่เหงาเลยนะถ้าฟังเราทั้งสองคนเนี่ยใช่<อ>ใ <จ S 2> แล้วค่ ะ, ะ, คะจะบอกว่า แอบแอบดูไว้เหมือนกันว่าถ้าเากิดต้องศึกษาไว้แล้วคะตัวเองกเกษียณเนี่ยจะทําอะไรดีแต่ถ้าเกิดพวกขนมขนมนี้สงสัยพี่บายค่ะบองทีเพราะว่าไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่มีเสน่ห์ไปจับบททางด้านนี้จริงๆอาจจะต้องไปเป็นอย่างอื่นอาจจะนี่แหละค่ะเป็นไกลนี่แหละคะ่ะน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแปลหนังสืออย่างนี้บางทีเขาก็ชอบนะค ะ, คะแปลหนังสือ เพราะฉะนั้นบางคนก็คงต้องเริ่มคิดกันไว้แล้วถ้าเกิดใครอีก2องปีเกษยียหรือว่าอุ้ยตายแล้วปีหน้าฉันฉันจะเกษยียณแล้วนะคะก็อาจจะต้องเริ่มหาทิศทางมองตัวเองนะคะว่าหลังจากที่เกษยียไปแล้วเนี่ยจะต้องทําอาชีพอะไรหรือว่าจะทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขโดยที่ไม่อยู่นิ่งเปล่าๆบางคนก็ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีราคาไปเป็นวิทยากรไปเป็นคุณครูเป็นอาจารย์พิเศษหรือว่าเป็นคุณครูสอนในระดับปวชประวาสร์หรืออะไรก็แล้วแต่เราสองคนก็อายุเยอะเราก็ยังเป็นดีเจได้นะคะพี่แมว หางกษียณเนอนะถ้ากเกิดเขาให้เราจันอยู่น ะ, ะ, ะก็ยเป็นอาชีพได้เหมือนกันนะค ะ, คะก็เป็นอาชีพสาหรับก็ทิ้งท้ายสําหรับคนที่เครียดง่ายๆแล้วก็ไม่ชอบความเสียงก็อย่าไปทําอะไรที่มันลงทุนเพราะบางทีเราอาจจะเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขกับในชีวิตนะคะดูว่าตัวเองเหมาะสมกับอาชีพไหนนะคะก็สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้รางวายกษียณนะคะเป็นความปรารถนาดีจากเราทั้งสองคนคะ่ะ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 เลืยอนล่างหรือห่างไกลก็รู้เราต้องเจอต้องเจอกันโชคชะตาจะพาไปโดยไม่ต้องคุยความมันเมื่อรักแท้จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่หน้านานมันคงอยู่จนเนือกา เวลามือนคำสัญญาว่นนานแค่ไหนและถึงยังไงก็รักเธอใจไม่เคยจะรักใคร เพราะฉันเก็บไว้จะมอบใจใเพียงแค่เธอเมื่อเราได้พบกันฉันรู้ในวันนั้นว่าฝันมันสิ้นสุดเมื่อเจอเธอและทุกวันที่หายใจฉันจะใช้มันเพื่อเธอเมื่อรักเธอ จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่หน้านานมันคงอยู่จนนี้ คงอยู่จะเนือกัรเวลาเหมือนคำสัญญาว่า น, นานแค่ไหนหือถึงยังไงเมือรักแท้จะมีเพียงแค่ครั้งเดียว